มาขึ้นปริญญาธรรมนํานะธรรมที่ควรกำหนดรู้ในทัศส์ตระสรู้น่ะนะธรรมะหมวดแปดแล้วก็เตรียนไปได้หลายหมวดแล้วนะตั้งหมวดหนึ่งมาเรื่อยจนถึงหมวดแปดในหมวดแปดมาขึ้นปริญญาธรรมในธรรมะสิบหัวข้อใหญ่ธรรมะที่ควรกำหนดรู้แปดนนะนะก็คือโลกธรรมแปด เอาโลกธรรมมาทําปริญญาเนี่ยนะเอามารอบรู้อดูว่ของผู้ใดไปเจริญหรือไปทําปริญญาในโลกธรรมมายังไงบ้างเช่นต้องได้ลาบก่อนนะค่อยค่อ ย, อยพิจารณาทีเสื่อมลาบแล้วก็ว่าทีนึ่งพอมียศพั ก, ก เ, เรื่องยศมาคิดถึงพอเสื่อมยศก็เอาเรื่องเสื่อมยศมาคิดทีพอได้รับนินทาเออเนี่ยถูกนินทาที พอเขาชมเออนี่มันไม่ค่อยนึกทีเออมก็ดีเหมือนกันนะพอสุขทุกข์เข้ามาก็เ อ, อ๊ถ้ามันทุกข์นี่จะแก้อย่างไงให้มันสุขสักทีถ้าสุขทํายังไงจะสุขนา น, านๆกันไปพื้นฐานถ้าอย่างนี้ก็ปกติคนทั่วๆไปเขาก็รู้อยู่แล้วไม่ไม่ต้องศึกษาธรรมะก็รู้อยู่แล้วว่าชีวิตจริงๆมันก็เป็นเป็นอย่างนี้อยู่แล้ว อ, อในบรรดาปริญญาธรรมเนี่ยนะ ทบทวนนะว่าธรรมหนึ่งที่ที่เป็นปริญญาธรรมคือภาษะเป็นที่ตั้งแห่งที่ตั้งแห่งอาสวะนะเป็นแต่ถ้าโลกวิทูเนี่ยธรรมหนึ่งที่พระองค์รู้แจ้งอ่ะคือสัพเพสตาหารติติกาแต่ถ้าเป็นปริญญาธรรมที่นี่จะเป็นภาษะเป็นที่ตั้งแห่งอาสวะนั่นนะผัสโสสาสโวอุปาทานิโย คือโลกิยะภาษะว่ารวยง่ายๆเลยนะโลกิยะภาษะต้องเอามาทำปริญญาสามหมดเลยนั่นเนะข้อที่สองนามรูปน่นานะนามรูปก็เอาธรรมมาทำปริญญาสามหมดอย่างที่สามคือเวทนาสามอย่างที่สี่อาหารสนะี่น่นอย่างที่ห้าอุปาทานขันห้าข้อหก็คืออายตนะภายในหกตาหูจมูกลิ้นกายใจนนะ่น อย่างที่7จก็คือวิญญาณทิติ7อย่างที่8ก็คือโล ก, กธรรมแปดกก็สัตวะส 9, 10ก็อายตนะ10บนั้นในโล ก, กธรรมแปเป็นสิ่งที่จะต้องเอามาทำปริญญาคาว่าปริญญาโดยศัพท์ก็หมายความว่าเขาต้องต้องเอามารอบรู้หรือเอามารู้รอบเนี่ยนะซึ่งปริญญาก็มีอยู่สามประการด้วยกันรู้รอบด้วยยาตะปริญญาอย่างหนึ่ง รู้รอบด้วยตีรณะปริญญารู้รอบด้วยปะหานะปริญญาการรู้รอบด้วยยาตะปริญญาก็คือการรู้รอบในสิ่งนั้นพร้อมทั้งปัจจัยเนี่ยนะเรียกว่ายาตะปริญญาบางท่านบอกว่ารู้ถึงสามั ญ, ญลักษณะด้วยท่นว่างั้นเลยนะเจงก็เรียกว่ายาตะปริญญา ก็ตีรณปริญญาก็คือสามัญลักษณะอีกนั่นแหละพิจารณาสามัญลักษณะด้วยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นต้นอันนั้นก็เป็นตีรณปริญญาส่วนปหานะปริญญาก็แบ่งออกเป็นสองคือทั้งที่เป็นโลกิยะกับโลกุตระปหานะปริญญานั้นถ้าจัดตามวิปัสนาญาณท่านนิยมตั้งแต่พังขยานเป็นต้นไปคือความเป็น ปหานะปริญญาเนี่ยจะนับต่อเมื่อเจริญอนุปัสนาเพราะอนุปัสนานี่ความเป็นใหญ่ของเขาคือละวิปลาสละนิจวิปลาสเป็นต้นเพราะตัวอนิจจสัญญาหรืออนิจจอนุปัสนาที่อยู่ในอนุปัสนาทั้งเจถ้าเป็นยานะก็ระดับพังขยานเป็นต้นไประดับนั้นไปแล้วจึงจะเรียกว่า ปหาปริญญาอันนี้ที่เป็นโลกิยะนะส่วนอนุปัสนาเจ็ดที่บริบูรณ์นั่นแหละย่อมยังอริยมรรคให้เกิดอริยมรรคนั้นก็เป็นปหานาปริญญาที่เป็นโลกุตระนี่ย้อนกลับมาที่การทำปริญญาในโล ก, กธรรมน่นะต้องมาแยกคำว่าโลกกับคำว่าว่าธรรมะเนี่ยนะเนะครือเมื่อมีโลกก็ต้องมีธรรมะประจา ประจำโลกโลกที่นี้ต้องเน้นโลกโลกไห น, นก็โลกคืออุปาทานขันท่าเนี่ยที น, นี้ธรรมะที่ที่ประจำอุปาทานขันท่าเลยนะก็มีเนี่ยแปดประการเนี่ยถ้ายังมีอุปาทานขันท่าก็ยังมีแปดประการนี่เข้ามาเกี่ยวข้องโดยที่สุดแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยังมีธรรมะแปดประการนี่มามาเกี่ยวข้องกับพระองค์ อย่างได้ลาบกระเสื่อมลาบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบางวันก็บินทบาทได้บางทีก็บินทบาทไม่ได้อันนี้ว่าแบบธรรมดาก็ไปอยู่เมืองเวรัญชาเนี่ยบินทบาทไม่ได้อยู่แล้วสามเดือนเนี่ยบินทบาทไม่ได้เพราะว่าไอ้ปัจจัยที่เคยไปด่าพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนเนี่ยนะว่าให้ไปกบริโภคข้าวแดงอะ่ะพราะนั้นพระองค์ก็ต้องฉันข้าวแดงไปบินทบาทอย่างอื่นเขาไม่ให้ฉันหรอก ก็ต้องมาฉันเข้าแดงสามเดือ น, นนะต้นขนาดเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะโลกธรรมส่วนนี้ยังต้องต้องรับไอความเสื่อมราบนนหรือได้ราบเนี่ยพระ อ, องค์ก็เป็นผู้ที่บริบูรณ์ด้วยราบมากที่สุดเนี่ยนะอย่างอย่างสมัยนี้ก็อาจจะเห็นชัดนะอีกพักหนึ่งรวยมากเลยนะอีกพักหนึ่งเนี่ยแทบจะไม่มีบ้านอยู่เลยอันนี้คือความได้ราบประเสื่อมราบนั่นเอง อีกพักหนึ่งโอได้เยอะแยะไปหมดเลยอีกพักหนึ่งเนี่ยแทบไม่มีอะไรเหลือเลยน ะ, ะชีวิตพระภิกษุนี่จะเห็นชัดอีกเหมือนกันบางวันนี้บินทบาทในะส ม, มุติเทศการปีใหม่เนี่ยมันจะไม่มีที่เก็บที่วางจริงๆอ่ะนะจะไม่มีอะไรใส่เลยอีกพักหนึ่งไปบินทบาทนี่แทบไม่ต้องล้างบาทเลยนะมาถึงก็เช็ดบาทเก็บได้เลยแบบนั้นบินพระบาทไม่ได้ด้านะไอ้ได้ลาบก็เสริมลาบนี่ก็เห็นเห็นชัดนะ ชาวนาก็จะเห็นชัดใช่ไหมปีไหนฝนดีก็อ้าวได้ข้าวกล้า บ, บริบูรณ์ปีไหนฝนไม่ดีก็ไม่บริบูรณ์แล้วเจ้าของสวน ล, ลํยาไยนี่ชัดไหมอีกพักไปเก็บมากมายอีกพักหนึ่งก็เก็บบ้างนิดหน่อยแล้วไอ้ได้ลาบเสื่อมลาบเป็นอย่างนี้แม้แต่ข้างค้าขายใช่ไหมค้าขายก็อีกพักหนึ่งก็กําไรงามมากอีกพักก็ขาดทุนอย่างนี้ นันไอ้ได้ลาบกับเสื่อมลาบจริงๆชีวิตของใครที่ไม่ไม่มีไม่มีหรอกนะแต่ว่าในบรรดาลาบที่สุดเนี่ยไอ้การที่เรียกว่าได้ลาบที่สุดเนี่ยกับเสื่อมลาบที่สุดเนี่ยคืออะไรได้ลาบที่สุดกับเสื่อมลาบที่สุดนะได้ลาบที่สุดก็แบบทั่วๆไปนะถ้าโลกธรรมทั่วๆไปก็คือการมีชีวิตเนี่ยถือว่าเป็นลาบอย่างยิ่งการเสียชีวิตนี้ถือว่าเสื่อมลาบอย่างยิ่ง ถ, ถ้าได้ชีวิตเนี่ยทำไมจึงเรียกว่าราบ mm hmm. เพราะว่าใครมั่งที่ไม่รักชีวิตนะ ว, ว่าโดยทั่วๆไปเนี่ยผู้ที่มีอุปาทานคันท่าก็หมดอย่างอื่นไม่ว่าสมมติไฟไหม้บ้านแล้วหนีออกมาได้ก็ยังดีใจอีกใช่ไหมขนาดว่ามันหมดเกือบหมดตัวนะที่ยังหนีออกมาได้ก็ดีใจกว่าตายอยู่ในนั้นนะวันถ้าตายอยู่ในนั้นก็โดยทั่วๆไปก็ถือว่าเสื่อมราบเป็นอย่างยิ่งถ้าออกมาได้ก็ถือว่ามีราบตรงนี้นะเฉพาะคิดเรื่องชีวิตนะพอคิดเรื่องอื่นก็เสียใจต่อนะแต่ถ้าคิดเรื่องตายกับเป็นเนี่ยก็ดีใจที่ แค่ราลอดตายมาก็ใช้ได้แล้วนะเหมือนกับประสบอุบัติเหตุใช่ไหมรถเนี่ยเสียหายเละหมดเลยนะแต่เหลือชีวิตกลับมาได้ก็ก็ดีใจอะ่ะก็ถือว่ายังได้ลาบที่ถือว่าถ้ายังมีชีวิตอยู่อย่างอื่นเดี๋ยวก็ติดตามมานไหมครับชีวิตนี้ถือว่าเป็นลาบเป็นอย่างยิ่งแม้กระทั่งชีวิตในสุขตินี่จริงถือว่าเป็นลาบอย่างอย่างสูงมากะนะถ้ายังมีชีวิตอยู่ในสุขติพบ นั่นก็ของเราทั้งหลายได้ลาบคือมีชีวิตอยู่นี่ก็ถือว่ามีบุญมากแล้วอันนี้ก็เป็นลาบอย่างหนึ่งที่มีชีวิตอยู่แต่ละวันแต่ละวันแต่ละวันแต่ละวันเพราะบางคนเนี่ยเขาอยากจะมีชีวิตอยู่แต่ก็ไม่ได้นะทุ่มเท ม, มากมายขนาดไหนเพื่อจะให้มีชีวิตอยู่ก็ก็ยังไม่ได้อย่างคนมีฐา น, นะก็พยายามที่จะหาสแสวงหาเหตุเพื่อที่จะให้เขามี ชีวิตยืดอยู่ต่อไปได้เนี่ยนะแม้จะไล่เป็นรายชั่วโมงเขาก็ยอมเหมือนกันเถอะเพื่อเพื่อต้องการจะซื้อชีวิตเอาไว้เนี่ยทั้นชีวิตนี้ใครที่มีเนี่ก็ถือว่ามีลาบเป็นอย่างยิ่งนะแต่ถ้าหมดชีวิตนี้ก็ถือว่าเสื่อมลาบเป็นอย่างมากอนะนี่ยมนถ้าบอกว่าเป็นกระตายเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งอภิชากรโทรมนัสสูงมากถ้าบอกว่าเป็นเนี่ยนะสมมติถ้าใครมาให้บอกโอ้โหชีวิตยืนยาวโดยทั่วๆไปค่อนข้างจะดีใจใช่ไหมเพราะว่าได้ลาบคือส่วนนั้น ทีนี้ถ้าบอกว่าแม้ถ้าใครมาบอกว่าจะตายภายในเท่านั้นเท่านี้อันนี้เสื่อมลาบอันนี้ก็เป็นที่ตั้งแห่งความเสียใจเป็นอย่างมาก่ uh, ถ้ากล่าวว่าลาบให้รู้เธอว่าเป็นที่ตั้งแห่งอภิชาถ้าเสื่อมลาบให้รู้เธอว่าเป็นที่ตั้งแห่งโทมันัดเพราะการว่าลาบกับเสื่อมลาบตัวนั้นเนี่ยมันเป็นเป็นทุกขสัตย์เนี่ยนะตัวลาบกับเสื่อมลาบเป็นทุกขสัตย์ ถ้ากล่าวทุกข์ัตย์ที่รกว่าราบกระเสื่อมราบเท่ากับกล่าวสมุทัยด้วยในตัวเพราะว่าลาบนี้เป็นอารมณ์ที่น่าปรารถนาความเสื่อมลาบเป็นอารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาเพราะฉะนั้นก็เป็นที่ตั้งแห่งอภิชากับโทมนัทนะนะก็ยังชอบว่าพราอาหารทั้งหลายท่านก็ลาบคือการมีชีวิตอยู่ท่านก็ไม่ได้ดีใจเสื่อมลาบคือการสิ้นชีวิตท่านก็ไม่ได้ เสียใจเนี่ยนะเพราะว่าท่านรอบรู้ว่า อ, อ, อุปาทานขันห้ามันก็เป็นเช่นนี้นี่แหละนั่นพระอรหันเนี่ยดูเรื่องอย่างเช่นพระอนิอธิมุตเถระหรือว่าพระสังกิจจะเถระเนี่ยนะที่โจนเนี่ยจะมาฆ่าท่านเอาเอาท่านไปมัดก็เตรียมจะฆ่าเลยนะชักดาบมาแล้ว โดยเฉพาะอาิมุตเถระเนี่ยพอชักดาบเนี่ยปกติแล้วไอ้โจรที่ฆ่าคนมาเยอะๆเนี่ยใครจะถูกฆ่าโดยมากหน้าเสียหมดเลยนะหน้าถอดสีกลัวอ้อนวอนยังไงยังไงเขาขอให้มีชีวิตอยู่เถอะจะไปเป็นทาสเป็นกรรมกรก็ยอมอนะจะเรียกว่ายอมก็ขอให้เหลือชีวิตเอาไว้เถอะแต่ว่าเจอพระอธิมุตเถระข้าเนี่ยนะท่านยิ้มผ่องใสมีความสุขมากเลยนะ ก็บอกว่าท่านก็โจรก็สงสัยว่าเอ๊ะฆ่าคนอื่นๆทาไมเขาร้องไห้เขาเสียใจกันพี่รยรําพันอ่ะท่านท่านรู้อะไรท่านเห็นอะไรทำไมท่านไม่เสียใจเลยอ่ะท่านก็บอกว่าท่านรู้ธรรมะที่ทำให้พ้นจากความเสียใจแลแต่ก็มีบทอยู่บทหนึ่งที่น่าดีใจท่านท่านพิจารณาว่าถ้าบุคคลเนี่ยนะพิจารณาโลกเสมอด้วยย่าและ หญ้าและต้นไม้เนี่ยนะหญ้าต้นไม้ที่ไม่มีเจ้าของที่ไม่มีใครเดี๋ยวแล่นะถ้าใครไปตัดหรือใครจะไปบำรุงเนี่ยคน ท, ทั่วไปจะไปดีใจไหมก็ไม่ดีใจเพรัะถ้าหากว่ามองเห็นโลกเสมอด้วยหญ้าและต้นไม้ก็จํานวนว่าไอความเศร้าโศกเสียใจก็ไม่มีแล้วแล้วท่านบอกว่าถ้าท่านตายนะทั่นก็สิ้นโรคสักทีเนี่ยนะ ก็ดีเหมือนกันจะได้หมดโรคสักทีหนึ่งเหมือนกันเถอะเพราะท่านผ้าอาหารหทั้งหลายท่านมองเห็นอุปาทานขันห้าเสมอด้วยตัวโรคนะนะโดยโดยวิปัสนาหรือโดยปัญญาของท่านว่าขันห้ากับโรคไม่ได้ต่างกันเพราะก็คือโรคนั่นแหละคือขันห้าเพราะฉะนั้นถ้าสิ้นขันห้าก็ก็สิ้นโรคสักทีนะสบายสักทีนึงแต่ถ้าผู้ที่ยึดถือขันห้าโดยความเป็นสัตว์หรือเป็นอัตตาด้วยอํานาจของสกาญทติฐิเป็นต้นก็ ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นเลยนะด้วยอำนาจของฉันทราคาที่ติดในในขันห้าอันตัวลาบที่ที่สูงสุดก็คือชีวิตใช่ไหมเสื่อมลาบที่สูงสุดก็คือสิ้นชีวิตทีนี้ระหว่างมีชีวิตอยู่เนี่ยนะตั้งแต่เกิดมาจนถึงทุกวันเนี่ยก็มียศกับเสื่อมยศทั่ยยศทั่วๆไปในทางธรรมะถือว่าหมายถึงบริวารยศเนี่ยนะ เพราะว่าคำว่ายศนี่ถ้าใช้กับผู้ที่มียศหรือมีซีนี่ก็คงหมายมันแคบไปเพราะคนทั่วๆไปก็ถือว่ามียศหมดเมื่อไร่ที่อยู่ในวงญาติขณะนั้นก็ชื่อว่ามียศมีบริวารยศเนี่ยนะคือมีพวกพ้องอะ่ะพวกพ้องเรียกว่ายศทั้งนั้นแหละเมื่อมีการรวมตัวกันเมื่อไร่ก็เรียกว่ามียศอยู่แต่เพียงผู้เดียวเมื่อไรก็ถือว่าเสื่อมยศในขณะนั้นนั้นท่นก็ชีวิตของเราก็มีทั้งเสื่อมยศและ ได้ยศใช่ไหมปกติแล้วการเข้าหมู่เข้าคณะเข้าสังคมเนี่ยสัตว์ทั้งหลายทั่วๆไปจะเพลิดเพลินนะจะพอใจมากอ่ะนะ เ, เห็นวงศาคณะญาติก็ยิ้มแหมสวัสดีหัวเราะร่าเริองอ่ะนะพอแหมพอจากปั๊บกังง่าเนี่ยนะใครนั่งโอ้โหจากได้สักทีก็สบายใจเยก็ยิ้มแป้เลยนะเออได้วิเวกสักสทีหนึ่งก็ดีละนะก็ไม่ค่อยมีหรอกโดยทั่วทั่ไปนี่แหละพอได้ยศคือมีพวกมีพ้องเป็นต้นก็ยิ้มแย้มแจ่มใสสดชื่นมีความสุข ก็เหมือนกับว่ า, วา ne, งานเลี้ยงงานพบปะสังสรรค์งานพบปะคณา ญ, ญาติทั้งหลายเนีย่ยบางคนนี่นับวันแล้วนะไอ้เมื่อวันน่งสองวนันอีกจะ ใ, ใกล้จะถึงละเนี่ยนะจะได้พบป ะ, จ ะ, จะเจอกันสักทีนะเพราะว่าตอนนั้นก็จะได้มียศกัตอนนั้นแหละทั้งคนทั่วๆไปก็ยินดีในการเข้าสังคมเน่ยมีอยู่ บ, บทหนึ่งท่านบอกว่าสัตว์ทั้งหลายโดยปกติชอบอะไรเป็นคู่ๆเหมือนกันคือชอบอยู่อย่างน้อยก็สองขึ้นไปอนะ มีสองก็เพิ่มเป็นสามีสามก็เพิ่มเป็นสี่นะอยากอยากเพิ่มอ่ะแต่ว่าถ้าจะให้ไปอยู่คนเดียวเนี่ยอคิดแล้วคิดอีกนะบอกอา้าวให้ผู้การเนี่ยไปอยู่เกาะคนเดียวนะอาหารทุกอย่างเพียบพร้อมหมดห้ามติดต่อกับใครหมดเลยเอาไหมให้ไปอยู่เกาะเนี่ยคนเดียวเลยนะก็บอกว่าไ อ, อ้ปัจจัยสี่ของชีวิตนะมีหมดแต่ว่าห้ามติดต่อกับใครโดยประการทั้งปวงเลยนะ ห้ามติดต่อกับใครทั้งนั้นเดี๋ยวเเดี๋ยวใครเอานะเดี๋ยวผมมาสร้างวัดจะให้กุฏิอันหนึ่งและจะให้คนส่งปิ่นโตให้เอาไหม <laughs> แล้วก็ให้อยู่คนเดียวด้วยนะห้ามติดต่อกับใครห้ามคุยกับคนแม้กระทั่งคนส่งปิ่นโตเงน้น <laughs> เอาแต่ว่าสามวันก็พอแล <laughs> ้วอออกนารสังสักขะการทุกคลีอะนะก็ เป็นที่ยินดีของสัตว์เพราะฉะนั้นการมีมีพวกมีพ้องหรือการเข้าหมู่เข้าคณะนีโดยมากอ่ะถามว่าการเข้าคณะเข้าหมู่เข้าพวกเมื่อมีญาติเกี่ยวข้องกันอย่างเงี้ยโด ย, โดยโรวมๆแล้วโลภมากหรือโทสะมากเห็นไหมการพบปะเจอเจอกันเนี่ยนะโลภมากกว่าโทสะถ้าโทสะมากมันจะฆ่ากันนะ <c oughs> น, น, นะว่าโดยโรวมๆก็คือโลภะนั่นแหละมาก การมียศนี้ก็คือธรรมะลมอิทธารมเนนะเป็นที่ตั้งแห่งอภิชาเมื่อมียศไอความเสื่อมยศมันก็อยู่ใกล้ๆนั่นแหละนั่นแหละเพราะว่ามีเพราะปะเจอเจอก็มีการการทาทากอยู่อยู่ใกล้ๆถ้่นะาเจริญที่เรียกว่าธรรมะในโลกนิ่มจะเป็นของคู่คู่กันเยอะเช่นถ้ามีมืดก็มี สว่างเป็นเครื่องแก้ใช่ไหมถ้ามีสุขก็มีทุกข์เป็นเครื่องบันทอนเนี่ยนะหรือถ้ามีดำก็มีขาวเป็นเครื่องเปรียบอย่างงี้ทีนี้ถ้ามียศก็มีความเสื่อมยศเนี่ยเป็นเครื่องเครื่องวัดเหมือนกันเป็นเครื่องชี้ว่าเพราะคำว่ายศในทีนี้มันหมายถึงความประชมแห่งสังฆตธรรมหรือสังขารธรรมอ่ะสังขารธรรมหรือสังฆตะธรรมเนี่ยนะไอะ้เฉพาะในชีวิตในภายในมันก็ไม่มีความ มั่นคงอยู่แล้วถ้าเอาคนมารวมรวมกันเข้ามันจะมั่นคงมาจากไหนเนี่ยนะเอาเอาคนนะหลายๆคนมารวมรวมเหมือนกัะเรียกว่า ง, งานกินเลี้ยงเนี่ยนะถ้าจัดงานนานเกินเวลาที่กําหนดนี่ก็ไม่มีไม่มีใครอยู่แล้วนะบอกว่าจะจัดกินเลี้ยงสักสามวันสามคืนเนี่ยนะชั่วโมงแรกอาจจะเยอะหน่อยยนะังสองชั่วโมงสมชั่วโมงหลังนี่ก็ร่อยรอไปเรื่อยไปเรื่อ ย, อยไปเรือรอร่อยนะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นอย่างนี้แหละและมีคําหนึ่งคือสมบัติมีวิบัติเป็นของคู่กัน ก็คือต้องมีการแตกทําลายอยู่แล้วอะไรที่เกิดขึ้นก็ต้องมีการแตกทําลายแม้กระทั่งตัวยศที่เป็นยศจริงๆก็ยังต้องมีเสื่อมยศเลยในชะ่ไหมก็ยังมีการถอดมีการถอนกันเลยเนะี่ยนินทากับสรรเสริญท่านโลกชีวิตของคนเนี่ยใครที่ไม่ถูกนินทาไม่ถูกสรรเสริญนี่คงหายาก น, นะโดยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ย ไปอยู่อีกโมอีกที่หนึ่งนะโอ้คนชมมากยกย่องโอ้สันเซอร์เนี่ยนะไปอีกที่หนึ่งเนี่ยเขารับจ้างด่าเลยถูกดา่าเจ็ดวันเมืองสาวัตถีเนี่ยเมืองที่พระองค์อยู่ยี่สิบ้าปีเนี่ยเป็นเมืองที่คนด่าไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะถูกด่าอยู่ทีทละเจ็ดวันอะ่ะอย่างสมัยนางสุนทรีนี่ก็ถูกด่าอยู่เจ็ดวัน สมัยที่เขาฆ่านางสุนทรีแล้วไปหมกในกองดอกไม้ที่เขาไปทําพุทธบูชาเนี่ยนะตอนนั้นก็พระพุทธเจ้าถูกกับภิกษุเนี่ยถูกด่าอยู่เจวันด้วยกันพระภิกษุที่อยู่ในบริเวณนั้นน่ะอยู่ป่าอยู่เขาชาวบ้านเห็นเขาด่าหมดแหะอันนีเ้เพราะว่าไอ้กรรมเก่าเนี่ยเป็นปัจจัยให้ถูกด่าแต่ว่าถ้าอธิกรณ์คือเรื่องราวเกิดกับพระพุทธเจ้าจะไม่เกินเจดวันแต่ถ้าเป็นคนอื่นก็ไม่รู้จะถูกด่าอยู่อีกนานขนาดไหนก็ไม่ทราบแล้วก็ แตอีกพักหนึ่งเขาก็ชมมาะอิติปิโสภคว า, าระหังสามมาอีกพักอาถูกดายแล้วอย่างงี้แล้วก็นินทากับสันเสรนี่เป็นของคู่โลกเหมือนกันถ้าถ้าเป็นเด็กๆนี่จะเห็นชัดน ะ, ะเดี๋ยวถูกตําหนิก็พ่อแม่แนหะตำตำหนิใช่ไหมถูกชมก็พ่อแม่อีกนั่นแหละชมเพราะฉะนั้นโลกกระทำนี่จะได้จากพ่อจากแม่ไม่ใช่น้อยนะถ้าไปลูกไปทําความผิดมาเอาถูกโลกกระทำฝ่ายไม่ดีเล่นงานละ เพราะพ่อแม่บางคนเนี่ยด่าด้วยโทรศัพท์จริงๆอะไรนั่นก็โลกกระทำฝ่ายไม่ดีก็ได้รับล้อีกพักหนึ่งอ้าวพ่อแม่ก็มาโอ้แล้วนะก็โลกกระทำฝ่ายดีเพราะโดยที่สุดแม้แต่เด็กๆ ก, ก็ยังเนี่ยถูกนินทากับสรนเสริญไอ้คำว่านินทานเนี่ยก็คือรวมทั้งการว่าร้ายทั้งการดา่าการเสียดสีการทุกชนิดะนะคำว่าสรรเสริญก็ทั้งต่อนหน้าและรับหลังทั้งหมดเลยคำว่านินทาศัพท์นี้เนี่ยกว้างกว่า กว้างกว่าว่ารับหลังนะท่านินทาแบบไทยๆก็คือการพูดรับหลังใช่ไหมพูดถึงสมมุติว่าพูดถึงเราในแง่ไม่ดีรับหลังเรียกว่านินทาแต่ว่าสัพว่านินทาทางธรรมะนี้ถือว่าเฉพาะหน้าก็เรียกว่านินทาด้วยเหมือนกันเนี่ยนะคือหมายปฏิกิริยาที่แสดงความชื่นชมกับชิงชังเนี่ยนะปฏิกิริยาใดที่แสดงออกถึงความชิงชังอันนั้นก็กลุ่มนินทาอะไรที่แสดงออกถึงความชื่นชมก็เป็นสรรเสริญเนี่ยนะ คือธรรมะกลุ่มเนี้ยนะเน้นที่วาจานะเน้นวาจาเป็นหลักแต่ทีนี้ไอ้กิริยาที่แสดงออกเนี่ยนะของคนเนี่ยเพียงแต่ว่ามันยังไม่ทันพูดเท่านั้นเองแต่ก็ถือว่าเป็นเบื้องต้นของที่จะถูกนินทาต่อไปนะแต่เมื่ว่าใครเขาขึ้ทัดขึ้นทัดอีกพักเดียวนี้ก็คิดว่าน่าจะพอรู้แล้วนะถ้าถ้าไม่เมาทั่วธรรมดาทั่ ว, วไปเนี่ยเขาเขาแสดงความไม่พอใจมากเลยนะต่อหน้าเนี่ยอันนั้นก็คือไม่ใช่ราบแล้วใช่ไหมข้อแรกก่อนนะนะเสื่อมราบแนละ้ว ที่เหลือก็จะถูกนินทาแล้วจะติดตามมาด้วยทุกขกายยะวิญญาณเป็นต้นเนี่ยนะแล้วก็มันก็เป็นเบื้องต้นแห่งโลกกรทำไอ้ฝ่ายไม่ดีอีกตั้งหลายข้อนะแต่ก็อยู่ในกลุ่มเนี้ยหรอครับอย่างคนในยุคนี้จะเห็นชาติมา ก, ก น, นะไอ้นินทากับสรรเสริญอีกพักเดียวก็ชมกันเต็มที่อีกพักเดียวก็ถูกด่ากัน อย่างพระพิสุในยุคนี้นะหลายรูปนะอีกพักหนึ่งเขามองเป็นเท พ, พเจ้าอีกพักหนึ่งเขาไม่ใช่ว่าเท พ, พเจ้าแล้วไอ้ตรงกันข้ามกับเท พ, พเจ้าอ่ะนั่นแหละมันมีมีตั้งหลายรูปนะอย่างพระพิสุในยุคนี้โดรับโลกธรรมทั้งฝา่ายไม่ดีฝา่ายดีเนี่ยนะชัดมากแล้วก็สุขทุกเนะีเดี๋ยวก็ป่วยเดี๋ยวก็เจ็บเดี๋ยวก็ปวดเดี๋ยวก็เจ็บเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็หายเนี่ยนะ ใครบริหารสุขภาพร่างกายเนี่ยทุกกายเดี๋ยวก็สุกกายเดี๋ยวก็ทุกกายเดี๋ยวก็สุกกายเนี่ยนะ เ, เดี๋ยวก็ป่วยเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็ป่วยเนี่ยนะสลับคเคล้าวกันไปอย่างนี้เรียกว่าสุขกับทุก่ย้อนอีกครั้งหนึ่งว่าฝ่ายได้ลาบได้ยศได้รับการสรรเสริญได้รับความสุขเนี่ยนะธรรมะกลุ่มนี้เป็นกลุ่มสมุทัยสัตว์เนี่ยนะว่าเมื่อ มีสิ่งสี่ประการนี้เมื่อไร่ให้รู้เถอว่าสมุทัยสัตว์นี้กำเริบแล้วใช่ไหมเพราะโลภะเมื่อไร่ถือว่าเป็นสมุทัยเมื่อนั้นส่วนเสื่อมลาบเสื่อมยศนินทาและได้รับความทุกข์เนี่ยนะให้รู้เถอว่าที่ตั้งแห่งทุกขสัตว์เนี่ยนะทุกขสัตว์ก็เกิดขึ้นถ้าผู้ที่เจริญโลกธรรมมากๆนะจะเห็นว่าชีวิตของสัตว์ทั้งหลายมีขณะไหนบ้างที่ไม่เกี่ยวข้องกับ โลกธรรมเนี่ยนะทั้งถ้าโลกธรรมฝ่ายดีนะก็เป็นที่ตั้งแห่งสมุทัยสัตว์โลกธรรมฝ่ายไม่ดีก็เป็นตัวตรงตรงของทุกขสัตว์เนี่ยนะเพราะฉะนั้นถ้าทําปริญญากิจในทุกขสัตว์เพื่อจะละสมุทัยสัตว์เนี่ยชีวิตก็ต้องเห็นโลกธรรมมากอยู่แล้วเนี่ยนะเพราะว่าโลกธรรมอันนี้ก็คือชีวิตของสัตว์ทั้งหลายนั่นแหละ คงตรัสว่าโลกกระทำแปประการเนี่ยย่อมหมุนไปตามโลกและโลกก็ย่อมหมุนไปตามโลกกระทำแปดประการนี้ก็ไม่มีขณะเดียวนะที่ว่างเว้นจากโลกกระทำแปดไม่อย่างใดก็ก็อย่างหนึ่งฮะตรวจสอบดูเถอะนั่นนะแม้แต่ขณะนี้นะได้อะไรบ้างได้ลาบนันะบางท่านถือว่าการฟังธรรมนี้ถือว่าได้ลาบใช่ไหมข้อแรกก่อนข้อสองมีพักมีพวกมีเพื่อนอย่างนี้ก็ถือว่า ได้ยศการมาฟังธรรมก็บางท่านก็สรรเสริญใช่ไหมบางท่านก็นินทา mm hmm. แต่ทั่วๆไปและกิจกรรมเหล่านี้คนก็จะยกย่องมากกว่าคนตำเหนียนะถ้าว่าโดยจริงๆอะ่ะนั้นก็เป็นที่ตั้งแห่งการสรรเสริญทีนี้ถ้านั่งในที่เย็นๆเนี่ยนะก็อย่างแล้วก็สุขกายก่อนเนละแล้วก็เป็นที่ตั้งแห่งถ้าฟังด้วยโสมนัะเป็นต้นก็เป็นที่ตั้งแห่งความสุขใจเพราะ น, นตอนนี้จริงๆก็ได้รับโลกธรรม ที่ดีก็ตั้งหลายอย่างแต่โ ล, โลกธรรมที่ดีกับเสียนี่มันจะใกล้ๆกันเนี่ยนะคู่กันเลยถ้าหากว่าได้ลาบเมื่อไหร่ก็ให้รู้เธอว่าเสื่อมลาบจะกําลังจะตามมาถ้าเสื่อมลาบเมื่อไหร่ก็ให้รู้เธอว่าจะได้ลาบแล้วนะเพราะมันถึงที่สุดแล้วเดี๋ยวมันก็ได้เองอะนะสำน ว, นวนว่าถ้ามันต่ําสมมุติว่าถ้ามันตกถึงดินแล้วนะมันไม่มีตกกว่านั้นอีกแล้วที่เหลือก็จะรอขึ้นอย่างเดียวแต่ถ้าขึ้นเมื่อไหร่ก็ให้รู้ว่าเดี๋ยวจะตกอีกแล้วเนี่ยนะ ก็ขึ้นลงขึ้นลงลงขึ้นอยู่อย่างนี้แหละพยายามพิจารณาให้เห็นเป็นศาสตรจักนะถ้าว่าโดยสติปัฏฐานก็คือเนี่ยอุปาทานขันเนี่ยถ้าฝ่ายดีเนี่ยนะได้ลาบได้ยศสรนเสริญสุขอันนี้เป็นที่ตั้งแห่งอภิชาถ้าเสื่อมลาบเสื่อมยศได้รับนินทาแล้วก็ทุกขอันนี้เป็นที่ตั้งแห่งโทมานต์เนี่ยนะเพราะว่าทั้งลาบเสื่อมลาบยศเสื่อมยศนินทาสันเสริญสุขทุกเนี่ยนะก็คืออุปาทานขันท่านั่นแหละ ถ้ายังมีอุปาทานขันท่าก็ยังหมุนอยู่อย่างนี้นี่แหละไม่ไม่มีเพราะน่ะอันนี้ต้องทำปริญญานะรอบรู้วัตถุเหล่านั้นพร้อมทั้งปัจจัยใคร่ครวนโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นต้นนั่นเองเนี่ยนะเพื่อที่จะตัดฉันทร า, าอานผู้ที่เจริญสติปัะฐา น, นี่ก็จะละอภิชากับโทมนนตในวัตถุทั้งหลายเหล่านี้ได้เนี่ยนะ ย้อนอีกครั้งหนึ่งนะว่าในบรรดาสี่คู่เนี่ยนะคู่ไหนหน่ากลัวที่สุดฝ่ายดีกับฝ่ายไม่ดีเนี่นะเอาเอาเนี่ยฝ่ายดีกับฝ่ายไม่ดีนะอันไหนหน่ากลัวกกันฝ่ายโลกกระทำนะได้ลาบได้ยศสันเสริญสุขกับเสื่อมลาบเสื่อมยศถูกมินทากับทุกฝ่ายไหนน่ากลัวกักนได้ลาบได้ยศ ได้รับสรรเสริญได้รับความสุขอะทำไมเขาก็ต้องการกันทั้งนั้นไม่ใช่เลยคุณนิราวันออคิดว่าอันเดียวอ๋อทุกกําลังจะติดตามมาถ้าตามคําสอนเนี่ยลาบอาการได้ลาบการได้ยศได้รับสรรเสริญได้รับความสุขเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสเป็นสังยุตเลยเรียกว่าลาบสการะสังยุตเป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดต่อการตรัสรู้ธรรม เป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดต่อการบรรลุมรรคผลนิพพานเสื่อมลาบเสื่อมยศได้รับนินทากับได้รับความทุกข์เนี่ยนะเป็นเหตุใกล้หรือถ้าจะว่าไปนะถ้าถ้าคู่ที่มีโยนิโสมนสิการหรือมีสังเวกขวัตถุดีเนี่ยจะใกล้ต่ออริยมรรคมากขึ้นเพราะว่าเห็นภัยของอุปาทานขันห้ามากขึ้นแต่ถ้าได้ลาบได้ยศได้รับสรรเสริญได้รับความสุขอันนี้คืออมิตรของโลกอมิตรนะอมิตร แปลว่าอะไรแปลว่าเหยื่อของโลกเนี่ยนะที่ไม่สามารถที่จะปล่อยโลกไปได้ก็เนี่ยเพราะพวกนี้แหละถ้าสัตว์ทั้งหลายได้รับแต่ความเสื่อมลาบเสื่อมยศได้รับแต่นินทาได้รับแต่ความทุกข์นะทุกคนจะปราฐนานนิพานพานทันทีหมดเนะนี่ยนะยินดีในธรรมะที่กเกษมจากโยคะกันทั้งนั้นนะแต่นี้มันไม่ใช่มันได้ลาบมาสลับบ้างก็ลืมไปนะลืมว่า เ, ออเพราะตัณหานี่มันฉาบทาโลกเอาไว้อยู่แล้ว เนี่ยนะพราะมีลาบมียศมีสรรเสริญมีความสุขเนี่ยมาฉากทาทำให้ทาให้ไม่เห็นภัยของอุปาทานขันท้าเนี่ยนะแต่ถ้าโลกนี้นะถ้าจะมีแต่ลาบมีแต่ได้ยศมีแต่สรรเสริญมีแต่ความสุขโดยส่วนเดียวก็ไม่มีใครต้องการที่จะออกจากโลกนี้เนี่ยนะ แต่ว่าเพราะว่าโลกเนี้มันมีทั้งเสื่อมราบเสื่อมยศมีนินทามีมความทุกข์อยู่เนี่ยนะจึงมีบุคคลที่เห็นภัยในสิ่งเหล่านี้แล้วต้องการออกแต่ถ้าหากว่าโลกเนี่ยมีแต่เสื่อมราบเสื่อมยศมีแต่นินทามีมแต่ความทุกข์ก็กไม่มีใครติดอีกนั่นแหละเพราะฉะนั้นมันจึงมีทั้งสองอย่างเนี่ยนะทำให้ให้ยึดติดเนี่ยนะแต่ในขณะเดียวกันบัณฑิตทั้งหลายเขาก็เห็นในฝ่ายที่มันตรงการข้ามจึงออกอย่างนี แล้วไอาการได้ลาบได้ยศหรือได้รับสรรเสริญได้รับความสุขจริงๆแล้วก็น้อยนะในในวัตฏะที่ยาวนานนะีเทียบได้เทียบเสียแล้วก็ไม่ค่อยคุ้มกันเพราะฉะนั้นโลกธรรมฝ่ายดีนะเป็นที่ตั้งแห่งความสุขเป็นที่ตั้งแห่งความสบายใจเนี่ยมันก็เป็นของชั่วคราวจริงๆเป็นของที่ไม่ได้ยั่งยืนอะไรเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเป็นวัตถุ ก, กรรมเนี่ยนะวัตถุกรรมนั้นพระองค์ตรัสว่า กรทั้งหลายนี่มันเป็นที่ตั้งแห่งความยินดีเนี่ยน้อยมากหมายความว่าเป็นที่ตั้งแห่งความสุขจริงๆไม่มากที่เหลือเป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์มากกว่าเนี่ยนะันความทุกข์ทั้งหลายทั้งมวลที่มีอยู่ในโลกนี้เกิดจากเนี่ยนะติดโลกธรรมฝ่ายดีทั้งนั้นเนยเป็นปัจจัยให้ได้รับโลกธรรมฝ่ายร้ายหวังว่าคงเอาโลกธรรมแปดไปทำปริญญากันมากขึ้นนะ เอาไปรอบรู้นะนั่งคำถามดูง่ายๆว่าใครจะปฏิบัติธรรมก็ขณะนี้มีโลกกระทำอะไรขึ้นบ้างแล้วก็เอาโลกกระทำเหล่านั้ น, น, นมาทําปริญญาเนี่ยนะยาตะปริญญาตีระปริญญาเช่นถ้าได้ลาบนะก็พิจารณาว่าวัตถุที่เราได้อะคืออะไรมีอะไรเป็นสมุทฐานมีอะไรเป็นปัจจัยหรือถ้าเสื่อมลาบเนี่ยมีอะไรเป็นปัจจัยเป็นต้นหรือ ถ้าได้รับความสุขกับความทุกข์เหล่านี้นะสุขทุกข์เหล่านั้นมีอะไรเป็นปัจจัยเนี่ยนะ ก, ก็รอบรู้สังยุตแปลว่าการประกอบลาบสักการะสังยุตคือเป็นชุดธรรมะว่าด้วยเรื่องลาบสักการะว่าเป็นอันตรายต่อพรหมจันท์เป็นอันตรายต่ออริยมรรคเนี่ยนะแล้วก็เป็นอันตรายต่อมรรคผลนิพพานนั่นแหละเป็นอันตรายต่อการรู้แจ้งแทงตลอดพระนิพพานที่สงบระงับจาก สังขารทั้งมวลเนี่ยนะอันลาบสการะนี่อันตรายมาก <Okay. S 1> ก็พวกลาบก็คือพวกปัจจัยเสียนะนั้นการได้ปัจจัยเสีนี่แหละครับการเอามาทําปริญญาคําว่าปาริญญาเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยทำด้วยกุศลศีล น, นะกุศลศีลทั้งหลายก็เรียกว่าปาริญญาเหมือนกันนั่นนะตั้งแต่เริ่มไปเกี่ยวข้องกับปัจจัยเสีด้วยศีลแล้วก็พิจารณาปัจจัยเสีโดยสมถะถ้าอาหารก็จเจริญอาหารเรปฏิกูลสัญญาเป็นต้นนั่นเองนะครับ ก็ไม่เที่ยงเป็นต้นนั่นแหละครับอาหารเนี่ยก็มาเจริญดูกันแล้วกันนะครับ